ท่านหัวหน้าคณะนั่นเองเชิดายิ้มให้อย่างเยือกเย็นไงผู้กองถ้ามันจะไม่ดีซะแล้วสินะจอมพรานไม่กล่าวอันใดทั้งสิ้นยกนิ้วขึ้นดีรุมพรานพื้นเมืองหันมามองตามเสียงนั้นเป็นตาเดียวพอสบตาแง่สายผู้กำลังยืดอกสุดลมหายใจลึกลำหน้าห่างจากทุกคนออกไปทางด้านหนึ่งเขาก็กวักมือเรียกหลักนั้นเดินสวบสวบเข้ามาหา โดยปกติท่านใหญ่คงไม่กล่าวอะไรอยู่เช่นเดิมหากแต่ส่งกล้องสองทางไกลให้และชี้มือแทนความหมายไปยังช่องเขาขาดนั้นแง่ทายมีสีหน้าชา ง, งุนเล็กน้อยไม่ถามอะไรเหมือนกันยกกล้องขึ้นจะรดกระสายตาทั้งคู่และปรับเลนช้าๆอย่างเยอือกเย็นอึจใจใหญ่จึงลดกล้องลงสีหน้าและแววตาเปลี่ยนไปหันมามองหน้าจอมพรานและคณะเจ้านาย จะเห็นแล้วใช่ไหมแงสายเชิดฐถ า, ถามเบาๆครับในายใหญ่ผมเห็นแรงตัวนั้นครับแล้วะคิดยังไงเหตุการณ์บังเอิญหรือว่าเป็นแรงคนละตุกชยันพูดเร็วจ้องหน้าขมิงแง่ทายเบือนหน้าช้าๆไปทางพรานใหญ่เหมือนขอทราบความรู้สึกของเขาก็ไม่พบอะไรมากไปกว่าสัญญาณเงียบขรึมจากดวงตาคู่นั้นเท่านั้น มีทางอื่นที่เราจะตัดทิวเขานี้ออกไปโดยไม่จําเป็นจะต้องผ่านช่องที่เห็นอยู่นั่นบ้างไหมแหน่ใส่ระพินพูดเรียบๆน้ําเสียงปกติที่สุดแต่ก็เป็นงานเป็นการที่สุดเช่นเดียวกันจอมพเนจรกระดกปลายลิ้นออกมาแตะริมฝีปากนิดหนึ่งเหลียวกลับไปมองทางช่องเขาซึ่งเห็นอยู่เบื้องหน้าแห่งเดิมผู้กองก็เห็นแล้วนี่ครับจากแผนที่ลายแทงฉบับนั้น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 ครานใหญ่พึมพำเหมือนจะกล่าวกับตนเองบทริมฝีปากแน่นตาทั้งคู่รีลงเหมือนจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งระพินหมายความว่าไอ้ยักษ์มันดักอยู่ตรงนั้นเหรอดารินสกิดแขนเขาถามเกือบเป็นเสียงกระซิบหน้าขาวผื่นรูปการมันบอกอย่างนั้นช่แล้วลครับคุณหญิงถ้าแรงที่เราเห็นในกล้องนี่เป็นตัวเดียวกันกับที่ติดตามเรามาตลอด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 ในมุมเฉียงกับตำแหน่งซึ่งลูกหาพักอยู่ในขณะนี้ห่างจากที่เดิมออกมาได้ประมาณ200เมตรไปยินขึ้นไปบนยอดสูงและพังภาพกายบนยอดเนินนั้นใช้กล้องสองตรวจ ด, ดูตรงช่องเขาขาดอย่างระมัดระวังเชธฐาดารินและชยันซึ่งมีกล้องประจำตัวติดมืออยู่แล้วก็ปฏิบัติตามโดยแยกกันส่องคนละมุม ชั่วไม่ทันถึงอึดใจของการส่องตรวจดูจากตำแหน่งใหม่นี้ชา ย, ยันก็อุทานลั่นออกมาอย่างลืมตัวว่าชัดเลยมันะ่ะนอนหมอบอยู่บนชะ ง, ง่อนหินที่โผล่ยื่นขวางออกมานั่นและทุกคนก็เห็นพร้อมกันหมดด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบอกถูกระพินถอนกล้องออกจากสายตาส่งไปให้แงา่ใสา่ตนเองใช้นิ้วมือคีบสันจมูกหลับตานิ่งเหมือนจะนอนพักอยู่ตรงนั้น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 สีสันและท่ามอบตัวของมันแทบกบกลืนกับสภาพของก้อนหินที่แวดล้อมอยู่ก็จริงแต่โดยเลนขยายขนาดสิบสองเท่าช่วยแยกให้เห็นชัดทีเดียวว่าส่วนไหนคือหินและส่วนไหนคือร่างกายของมันซึ่งปรากฏอยู่ในทิศทางมองของฝ่ายมนุษย์ยามนี้เกือบจะเห็นครบทั้งตัวแรงตัวนั้นบินว่อนอยู่เหนือตัวของมันบางขนาก็บังอยู่กับยอดหิน และบางขณะก็พลวออกมาทาบท้องฟ้าซึ่งเป็นแบดกราวอยู่เบื้องหลังช่วยเห็นชัดขึ้นอีกเพราะปราศจากต้นไม้บักมาริยฮอฟมันขยับริมฝีปากขมุบขมิบเหลือบตาขึ้นไปเบื้องบนท้องฟ้าและเอามือทำอาเมนอย่างคนใกล้จะหมดลมหายใจนี่คือเจ้าเวนน้ยกรรมเก่าของพวกเราทุกคนลนะเชิดากล่าวแหบแห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 ถ้าคุณเห็นว่าเราสมควรจะกลับผมก็พร้อมแล้วที่จะกับอย่าย้อนถามหรือฟังความเห็นจากผมเียนะผมบอกแล้วว่ามอบหน้าที่การตัดสินใจให้กับคุณยังไม่ต้องใช้เวลาไตรตรองอะไรทั้งสิน้นระพินทร์ไทรวันพูดเรือดเดือบว่าฆ่ามันแล้วก็ผ่านช่องเขานั้นไปให้ได้หรือมิฉะนั้นก็ให้มันฆ่าเราครับอดีตท่านทูตทหารบกสูดลมหายใจลึก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 แม้กระทั่งแงซายซึ่งบัดนี้ก็มองนิ่งมาด้วยสายตาอันคาระวะยกย่องจากส่วนลึกของหัวใจและก่อนที่พรานใหญ่ใจเพชรจะขยับตัวลุกขึ้นจากท่าที่มอบพังภาพอยู่นั่นเองเชษฐาก็เอื้อมมือมากดไหล่ไว้สะก่อนเดี๋ยวใจเย็นๆผู้กองอย่าเพิ่งทำอะไรพูดพลาดเรามีแผนการที่รอบคอบรับกุงกมัดทุกระยะแล้วและนี่ก็เป็นช่วงสุดท้าย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 ผมกับแงสายจะเดินเข้าไปหามันโอกาสก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นและครับว่าธนูติดระเบิดของเราที่จะยิงไปถึงตัวมันกับการที่มันจะพุ่งเข้าใส่เรานะใครจะเร็วกว่ากันแต่ผมเชื่อตัวเองกับแง่ทรายและอำนาจระเบิดขอได้ยิงเพียงลูกแรกเท่านั้นโอกาสซ้าจะมีขึ้นในทันทีและแน่นอนขึ้นเชิดขาสั่นสีะยงตัดสินใจเฉียบขาดเหมือนกันที่จะขอยับชัง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 อธิษฐานขอเปิดทางกรวดน้ำแผ่เมตตาแผ่กุศลไปให้มันถ้าไม่มีเว้นกรรมกันมาก่อนก็ขอให้มันหลีกทางให้เราด้วยแต่ถ้ามันยังไม่ยอมไปจนถึงตะวันขึ้นพรุ่งนี้ก็ให้มันบันไลกันไปข้างหนึ่งรู้แล้วรู้รอดสักทีชยันหัวรคอนแค่ น, นบอกมาบวยการเสียเวลาบุญคำจะไปคิดแผ่เมตตาแผ่กุศลอะไรให้มันใะยากเลย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 แม้จะไม่หนักหนาหน้าวิตกอะไรนักสำหรับหมอดารินแต่ก็เต็มไปได้วยความฉุกละหุกพอดูท่ามกลางวิกฤตการที่แวดล้อมอยู่รอบรอบตัวก่อให้เกิดการห่วงหน้าพวงหลังวิตกต่อเหตุการณ์ไปหมดสางปาจะเป็นอะไรมากไหมน้อยมาริเอแอบเข้ามากระซิบถามดารินด้วยความเป็นห่วงในทุกอย่างสีหน้าของหลอนกลัดกลุ้มเมื่อเห็นอาการอันไม่เข้าท่าของลูกสีก้นกุติ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 ตลอดเวลาเหมือนตกอยู่ในห่วงฝันร้ายไม่มีเวลาได้หยุดพักผ่อนหายใจกันได้สะดวกเลยเราทั้งหมดจะทนทานฟันฝ่ากันไปได้นานอีกสักเพียงไหนเนาะเราจะต้องผ่านบนอุปสรรคทั้งปวงไปได้โดยตลอดเมเชื่อสิน้อยในที่สุดเธอก็หนักแน่นมั่นคงกว่าฉันซะอีกนะมาเรียพึมพ ร, รมแผ่วเบากอดราชาสกุลสาวไวพร้อมกับซพหน้าลงกับไหล่ดาลิน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 ทดระยะห่างออกไปเป็นลำดักในที่สุดก็เงียบสงบทั้งหมดบ้างนั่งบ้างนอนขดรวมกลุ่มกันอยู่ภายในบริเวณอันจำกัดถูกสะกดด้วยมนของนิทราลมที่ค่อยๆคืคคบคลานเข้ามาระพินไพรวันนั่งชันเข่าพิงผนังหินอยู่ปากเพิงใบหน้าสุขกลมอยู่ในระหว่างอ้อมแขนที่กอดเขา่าไม่มีใครทํานายได้ถูกว่าเขาหลับ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 กลุ่มการมันไม่ดีแน่นะแต่ขืนป่วนปี่นเข้ามาใกล้ๆแบบนี้เอาไปดูมันดีกว่าผมไปด้วยเชิดถาบอกด้วยเสียงหนักๆรพินพยักหน้าเป็นสัญญาณกับแง่ทรายซึ่งเตรียมพร้อมอยู่เสมอแล้วให้ย่องเข้ามาสมทบกลุ่มนายจ้างอีกสี่คนรวมทั้งเขาด้วยก็เคลื่อนตัวออกจากใต้เพิงที่ซ่อนลบอยู่อย่างแผ่วเบาเงียบกริบโดยให้พวกพลานพื้นเมืองทั้งหลาย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 เพราะความกลงกลืนกับสภาพแวดล้อมรอบด้านแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นสิ่งที่แลบผาดในความมืดว่าเป็นก้อนหินนั้นเคลื่อนไหวได้มันห่างออกไปเพียงไม่เกิน15บห้าเมตรท่ามกลางด่านสายใหญ่ซึ่งบัดนี้เป็นทางไหลของน้ำฝนสันฐานที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดก็คือส่วนคอที่ยาวสูงขึ้นไปเหมือนยีราฟและหัวเรียวยาว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 ทันทีที่ดารินพุ่งไฟฉายปราดออกไปกระทบกับสีแสดที่ชูสูงนั้นมาเรียซึ่งเตรียมไรเฟิลพร้อมอยู่ในมือเช่นกันก็ร้องหันยังกระทันหันก่อนที่ใครจะทันปล่อยกระสุนออกไปยยิ่งเสียงร้องและไฟฉายที่สาดออกไปกระทบมันอย่างจู่โจมนั่นเองเจ้าสัตว์ใหญ่รูปร่างเวลาผู้มีศีรษะเหมือนเป็ดล้ำตัวออกเทาหมนุนสลับไปกับลายเหลืองก็ผวาตื่นตกใจพังหน้าออกไปพร้อมกับเสียงร้องเบาๆ มันมีอยู่ด้วยกันสองตัวเดินเคียงคู่กันมาตรงตามที่ขยินคำนวณไว้อ ย, ย่างแม่นยำเชษฐากับชยยายันยั้งมือได้ตามเสียงห้ามของมาเรียชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นทั้งๆ ท, ที่ยังไม่เข้าใจนะักว่านักโบราณชีวา ศ, าศาสตร์สาวมีเหตุผลอันใดในการยัดยังไวด้วยท่าทีอันตื่นตกใจระคนพิษสวงในสิ่งอันแตกปลอมที่มันได้รับอย่างกระทันหันนั้น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 ทุกคนถอนใจออกมาได้อย่างโล่ง อ, อกเทธากับชัยยันลดไรเฟิลลงจากไหลแตงสองไฟฉายตามดูการเคลื่อนไหวของมันไปจนกระทั่งลับตาสิยงชัยยันสะบพัพามด้วยความเสียเส้น่างพากันออกจากที่มัน่นเข้ามารวมหมู่กันอีกครั้งพรานใหญ่สองไฟตรวจ ด, ดูรอยเท้าตามพื้นแฉะที่มันเหยียบย่ำไว้เป็นเทือกแล้วกราดไปยังทิศที่มันเดินมาแต่แรก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 ถ้าธรรมชาตินิสัยและชีวิตการเป็นอยู่ของสัตว์ตึกดัมบันที่ฉันศึกษาร่ําเรียนมาไม่ผิดออกไปถ้างั้นก็แปลว่ามันจะต้องผ่านช่องเขาขาดที่เจ้ายักษ์ไทรั่นนั้นดักเฝ้าเราอยู่ในขณะนี้อสิถ้ามันจะกลับไปยังทะเลศักด์และถ้าไม่มีเส้นทางผ่านทางด้านอื่นอีกอย่างที่ไพวันกางแงสายบอกมันก็ต้องอาศัยผ่านช่องเขาขาดนั่นแน่นอนค่ะคาบอกเล่าของมาเรียทําให้ทั้งหมด มองหน้ากันบางกลับเข้ามาในเพิงพักอีกครั้งในนั้นพวกครานพื้นเมืองทุกคนนั่งรวมกลุ่มปืนและไฟฉายพร้อมอยู่ในมือคอยฟังข่าวด้วยความเร่าร้อนส่วนขยินก็ยังคงอาศัยเอาหูฟังเสียงกลับพื้นตามเดิมมันไปทางเหนือนายทางช่องเขาคาที่อยักษ์มันดักอยู่ละนายเสียงขยินรายงานอย่างตื่นเต้นตรงกับที่มาเรียคาดไม้ไว้ทุกประการ ทุกคนเงียบกริบได้แต่นั่งเบิกตาโพลงหูคอยสดับรับฟังเสียงที่จะเกิดขึ้นอยู่ในความเงียบด้วยใจเต้นระทึกและไม่สามารถจะทายเหตุการณ์ถูกทุกสิ่งทุกอย่างมันเต็มไปได้วยปริศนาซึ่งจะต้องรอผลคำตอบออกมาด้วยตัวของมันคราคูดอนคู่นั้นจะเฉลียวคิดไวทันหรือไม่ว่ามัตยุราชเจ้าพิภพดักขวางปากทางผ่านที่มันกาลังบ่ายหน้าใกล้เข้าไปทุกขณะ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 ดังอยู่ริกๆทุกคนอยู่ในสมาธิอันแน่วนิ่งแทบไม่มีใครหายใจบัดดุลนั้นเองสิ่งที่ต่างรอคอยอยู่ด้วยความระแวงไว้ก่อนแล้วก็ระเบิดขึ้นด้วยสำเนียงเสียงกึกก้องฟังสยองไปทุกขุมขนมันเป็นเสียงแผดคำรามสนั่นหวั่นไหวราวกับฟ้าร้องพร้อมกับเสียงแผ่นดินไวหวเฮือกระคนไปกับเสียงก้อนหินพลิกถลม่มกลิ้งกระจัดกระจายเสียงร้องแหลมอย่างโกรกตกใจและเจ็บปวด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 ทามกลางการตะลึงฟังด้วยเลือดในกายอันเย็นเยียบของฝ่ายมนุษย์ในที่สุ่มทั้งสิบสองชีวิตแล้วมันก็จางเงียบหายไปทุกสิ่งทุกอย่างกลืนอยู่ในความสงบและความมืดมนต่อไปเสร็จหมดทั้งสองตัวแล้อเนี่ยเทถ้ากระซิบขึ้นลอยๆในความมืดสงสัยครับคงคบขบกมองแหลกหมดทั้งสองตั ว, วนั่น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 ให้เจ้าสัตว์ที่น่าสงสารคู่นั้นเบนทิดออกไปซะนี่ทั้งๆ ท, ที่เรารู้อยู่แล้วว่าไอ้มาหาการนันดักอยู่ก็ยังดูดายปล่อยให้แครกโคดอนคู่นั้นเดินไปเข้าปากไอ้ยักษ์อย่างเลือดเย็นที่สุดหมอดารินอดลงสังเวชออกมาไม่ได้ตามนิสัยหรือไหลานาน้อยเชยันดุมาด้วยเสียงขุนคุ น, คนมันเปชนความผิดของเราสักนิดนะน้อยแล้วก่อนที่จะนึกพุโทโธสงสารอะไรกันน่ะ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 ผู้ชายใช้ความคิดหนักอยู่คุณละปู้กองคุณคิดยังไงก็อาจเป็นความจริงอย่างที่คุณชยันคาดคะเนก็ได้ครับและถึงที่เมย์ได้บอกเอาไว้ก่อนแล้วก็มีส่วนถูกอย่างมากหนทางช่องเขาขาดนั้นแบ่งแยกแผ่นดินออกเป็นสองฝากฝ้ า, าหนึ่งแห่งแรงกําดารอีกฝ้าหนึ่งเป็นทะเลสาบใหญ่อุดมสมบูรณ์สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลายที่ท่องเที่ยวหากินอยู่ในละแวกนี้ จะต้องอาศัยช่องทางนั้นเป็นทางผ่านเข้าออกอยู่เสมออ้อยักษไทรั่นจะต้องรู้ดีอยู่แล้วมันยังไปดักคอยหาเหยื่ออยู่ที่นั่นและเดี๋ยวนี้มันก็ได้เหยื่อพอที่จะอิ่มได้แล้วกินเหยื่อเสร็จมันอาจจะไปก็ได้โอ้พระเป็นเจ้าขอให้เป็นเช่นนั้นจริงๆเถอะมาเรียพึมพำประสานมือไวระหว่าง อ, อกในความเงียบนั้น ทุกคนชื่งสุดประสาทยังเปิดเตรียมพร้อมได้ยินเสียงตะกุยฉีดเนื้อและเสียงเคี้ยวขยอกกินอย่างสดสดร้อนๆอนดังแววมาจางังจังแม้จะมองไม่เห็นด้วยตาก็พอจะนึกวาดภาพได้อย่างถนัดชัดเจนที่สุดจากซากของไดโนเทเรียมและสเตโกสระัะที่ไอยักษ์เคยฉีกกินทิ้งซาก อ, อันเรียรากกระรุ่งกระริ่งเป็นที่วาดสยองไว้ให้เห็นมาก่อดต่างสงบเงียหูฟังเสียงนั้นอย่างใจเต้นระทึก ไม่เป็นสักไม่มีใครเดาความคิดของใครถูกในขณะ น, นี้จนกระทั่งเชษดฐา ง, งัดกล้องยาเส้นออกมาจุดสุขควนันอันฉุนกึกที่กระจายไปทั่วบริเวณแคบแคบที่รวมกลุ่มกันอยู่ช่วยปลุกประสาทอันเป็นเน็บชาของทุกคนให้ตื่นจากข่วงคิดอันวกบนขึ้นมาอีกครั้งเสียงพานใหญ่พูดอะไรแผ่วเบาอยู่กับคนของเขาและขยินอดีตในบ้านหลุมช้างก็ยังคงทำหน้าที่ฟังเสียงจากแผ่นดินต่อไปอย่างตั้ง อ, อกตั้งใจ เสียงเคี้ยวขย่ำกัดกินเหยื่อนั้นแววมาให้ได้ยินอยู่เป็นเวลานานทีเดียวแล้วในที่สุดก็เงียบหายไปถามขยินที่ผู้กองว่ามันได้ยินเสียงเคลื่อนไหวยังไงของไอ้ยักษ์บ้างไหมตอนนี้ชายันเตือนเขาขึ้นเมื่อไม่อาจสงบทนจมอยู่ในความเงียบที่แฝงไปได้วยปริศนานั้นต่อไปได้ขยินบอกว่ามันหยุดกินซากเหยื่อแล้วครับ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 ทุกคนของฝ่ายนายจ้างเริ่มกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขขึ้นมาอีกวาระหนึ่งเอ๊แล้วมันจะเอาอยัางไงกับเราแน่ะได้เยื่ออิ่มหมีพีมันแล้วก็น่าจะไปสะทีไงถึงยังคุมเชิงนิ่งอยู่ตรงนั้นอดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้ภาวนาอยู่ตลอดเวลาที่จะให้ไอ้มหายักษ์ไทรันย้ายตัวเองออกไปซะให้พ้นปากทางกล่าวออกมาอย่างหนักใจ แล้วก็เป็นความรู้สึกชนิดเดียวกันกับทุกคนในขณะนั้นนั่นเองเราฟังมันดูอีกสักพักเถอะนายทหารบุญคำบอกมาอย่างปลอบใจมันอาจขมือบเข้าไปเต็มคราบพุงกลางเดินไม่ไหวก็เลยลงนอนพักอยู่ตรงนั้นก่อนตอนใกล้ๆรุ่งอาจไปก็ได้บุญคำก็ยังไม่อยากเชื่อนักหรอกว่ามันมีเจตนาร้ายที่จะจ้องอาฆาตดักเราโดยเฉพาะนอกจากคอยดักเหยื่อทั่วๆไปตามธรรมชาติหาอาหารของมัน พวกเจ้านายทั้งหลายอย่ามัวนั่งเฝ้ากังวลใจอยู่เลยนอนพักซะเถอะปล่อยหน้าที่ไอ้บุญคำกับไอ้พวกนี้เองจะคอยจับฟังเสียงไม่เหตุลาดไปได้หรอกบุญคำพูดถูกแล้วครับพวกเราควรนอนพักเอาแรงดีกว่าพรุ่งนี้ก็รู้ชัดกันเองแลครับว่ามันไปหรือไม่ไปตอนนี้จะมัวมาคอยนั่งเฝ้าท่าทีของมันอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งที่ผมกล้ารับรองได้แน่แน่ก็คือไม่ว่ามันจะไป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 นายายเข้าใจครับนายหญิงขอฉันหวังไว้ล่วงหน้านะว่าเมื่อเหตุการณ์สำคัญที่สุดในวันพรุ่งนี้มาถึงเธอจะให้การประสานงานร่วมมือกับผู้กองรรบพินอย่างดีที่สุดโดยไม่มีอะไรขัดแยง้งไม่ว่าจะในด้านทางตรงหรือทางออกซึ่งจะทำให้พวกเราพินาศกันทั้งหมดในความมืดผู้กำกับชับสั่งความคาดคั้นและอีกสามคนที่นั่งฟังอยู่ด้วย ไม่สามารถจะมองเห็นข้าวเงินใดๆจากใบหน้าเจ้าคนรับใช้พิเศษนั้นได้เห็นแต่เพียงว่ามันนิ่งอยู่เป็นครู่ก็รับคำเสียงลึกว่าแง่สายจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับนายหญิงเอาละ่ะต่อไปนี้เป็นคำถามที่ฉันต้องการให้เธอตอบอย่างสุดจริตใจจริงราชสกุลสาวเอ่ยเน้นหนักเช่มช้าหางเสียงเคร่งครึมจริงๆ แง่สายเธอรู้ดเธอรู้ดีอยู่แล้วนะว่าเราทั้งหมดจะต้องเดินทางไปให้ถึงเนินพระจันทร์ในวันขึ้นห้าข้ามเดือนหน้าซึ่งก็เหลือกำหนดจวนเจียนอีกเพียงไม่นานนักแล้วเธอรู้ทางตัดขึ้นเทือกเขาประสิวะอยู่กับตัวเองดีแล้วไม่ใช่เหรออาการอั้มอึ้งและ ว, วีแววของความลำบากใจเกิดขึ้นจากร่างนั้นทุกคนสังเกตเห็นได้ชยันก็ดุตามด้วยเสียงแข็งซ้ามาในทันทีนั้น อย่าโกหกหรืออย่าออกลูกไม้ใช้เล่ยคารมบิดพริ้วเงื่อนงำใดๆเป็นัันขาดนะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมารู้ไว้ด้วยนะว่าฉันไม่ใช่ผู้กองระพินผู้กองนะเขาอาจอภัยให้แกเสมอมาไม่ว่าแกจะออกลูกไม้อะไรกับเขาแต่ฉันกับนายใหญ่นะกระทืบกันแน่ๆอา้าวลองดูก็ได้เงาไซา ย, ยิ้มอยู่ในความมืดนายทหารครับโดยสัตยปฏิ ญ, ญาณนะครับถ้าเงาไซปกปิดมดเทจ ริเมเลมิเล่ธุจริตรใดๆขอใถึงการแตกดับไปด้วยอํานาจอาถรรพ์ของใครเถื่อนที่เราเผชิญกันอยู่ในขณะนี้แงาซายไม่รู้เส้นทางเดินครั้งนี้มากไปกว่าผู้กองระพินถ้าปราด จ, จากผู้กองซะแล้วแงาซายจะไม่มีวันไปถึงที่นั่นได้แต่ในทางตรงข้ามถ้าปราด จ, จากแงาซายผู้กองก็ยังสามารถนําพวกเราทุกคนไปถึงได้นี่เป็นความรู้สึกเชื่อมัน่นและพูดด้วยความสุดจริตใจครับ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 ทางด้านตะวันตกของเนินพระจันท์นั้นมีจันทร์เสี้ยวเป็นปิน่นใช่ป่ะแกเขียนภาพนั้นใช่ไหมโดยสงบแงใสายก้มศีรษะรับอีกครั้งครับนายใหญ่ผมวาดภาพนั้นจริงและอะไรเป็นเจตานาของเธอหรือว่าภาพนั้นมีความหมายอย่างไรเราต้องการคำอธิบายที่กระจ่างที่สุดดารินสอดถามมาโดยเร็ว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 เพื่อว่าจะช่วยให้เกิดความคิดอะไรแก่เขาขึ้นได้บ้าแต่ผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะสนใจต่อภาพที่ผมเขียนไม่แม้แต่จะถามผมว่ามันหมายถึงอะไรด้วยซ้ำคาพูดของแงซรายทำให้คณะนายจ้างหันมองหน้ากันดารินซักต่อมาในน้ำเสียงรัวลินเช่นเดิมว่าผูกกองนะ่ะเขาสนใจมากนะในภาพเขียนของเธอน่ะเพียงแต่เขาไม่ได้แสดงให้เธอรู้เท่านั้นแหละว่าแต่ว่า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 และสั่งให้ผมกลับคืนเข้าสู่แผ่นดินเดิมของผมเมื่ออายุวัยผมถึงขีดกำหนดครับประหลาดมากมันตรงกันกับข้อความในปริศนาลายแทงของผู้กองที่ระบุไว้เช่นนั้นชายันร้องขึ้นเชษฐาก็ร้องเรียกพลานใหญ่ขึ้นเบาๆสั่งให้เข้ามารวมกลุ่มกันทันทีระพินเราซักความแงาใสออกไปแล้วละ่ะต้องการให้คุณมาร่วมฟังรู้เห็นกันซึ่งซึ่งหน้าอย่างนี้เลย จะได้ช่วยกันคบคิดหารือกันด้วยและท่านหัวหน้าคณะก็เล่าให้ฟังว่าแง่ายพูดเช่นไรบ้างแล้วว่าคุณมีอะไรจะพูดกับแง่ายก็พูดกันซะต่อหน้าเรานี่แหละให้หลังจากนิ่งไปครู่ใหญ่จอมพรานก็เอาตะเกียงแบตเตอรี่แห้งขนาดจิ๋วซึ่งสมวนไว้สำหรับใช้คราวจำเป็นที่สุดของคณะมาเปิดสว่างเรืองขึ้นกลางวงของกระดาษจากสมุดแดรี่ของชยันมาแผ่นหนึ่ง ยื่นส่งให้แง่ทายพร้อมกับปากกาหมึกแห้งสั่งว่าเอาละแง่ทายแกเขียนภาพอย่างชนิดที่แกเคยเขียนทิ้งไว้ฉันดูคืนก่อนนั้นอีกครั้งสิเขียนให้เหมือนที่สุดนะแง่ทายไม่กล่าวคําใดทั้งสิน้นรับปากากากับกระดาษก้มหน้าสเก็ตอยู่ครู่หนึ่งก็เงยขึ้นส่งให้แกเขาอย่างสงบสงเสงียบระหว่างนั้นทุกคนเงียบกริบ รอดูปฏิกิริยาท่าทีจากบุคคลซึ่งเท่าเทียมกันทั้งสองตังเห็นรพินรับเอาไปตรวจพิจารณาอย่างถี่ถ้วนต่อมาจึงล้วงเอาแผนที่ลายแทงของเขาออกมากลางแผ่ตรงหน้าของทุกคนที่มุงล้อมอยู่และเอาภาพที่แง่สายเขียนค่อยๆวางเทียบลงไปในแผนลายแทงใหญ่ยังตำแหน่งที่ระบุบอกไว้ว่ า, วาเนินระจันโดยเปรียบเทียบหันด้านให้ตรงกับทิศในแผนที่ฝ่ายนายจ้างทั้งหมด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 ถ้าจะมีแตกต่างพิเศษออกไปจากแผนที่ใหญ่ก็คือทางด้านตะวันตกของเนินพระจันทร์เท่านั้นในแผนที่ใหญ่เป็นลักษณะทิวเขาแต่ในแผนที่ที่แงซสายเขียนปรากฏเป็นภาพเทวรูปพระศิวะทรงจันทร์เสี้ยวประทับนั่งอยู่หังหันพระพักไปทางเนินพระจันทร์ซึ่งอยู่ด้านตรงข้างพระพินไทยวันมองสุดตานายจ้างเข้าไปทีละคนตามลําดับและในที่สุดก็ไปหยุดนิ่ง อยู่ที่แง่ทายพร้อมกับเอ่ยขึ้นเสียงต่ำๆว่าโปรดพิจารณาให้ทีทวนรอบข้อระหว่างเนินพระจันทร์ในแผนที่ใหญ่แผ่นนี้กับเนินพระจันทร์ในแผนที่ย่อยอันเป็นจินตนาการภาพของแง่ทายอะไรที่จะเกิดเป็นคำถามขึ้นก็โปรดถามแง่ายาไปเดี๋ยวนี้เลยชยันขยับปากแต่เชิ้ายยกมือขึ้นโบกห้ามซะก่อน สายตาของหัวหน้าคณะอันเต็มไปด้วยการไตรตรองอย่างสุขุมคมภีรภาพรีมองลงไปยังภาพเปรียบเทียบทั้งสองที่แผ่อยู่ตรงหน้านั้นแลพยักหน้ากับตนเองช้าๆเอานิ้วเคาะลงไปในแผ่นของแง่ทรายตรงตำแหน่งที่เขียนรูปพระศิวะไว้แง่ทรายเทวรูปพระศิวะในภาพเขียนของแกนี่อยู่ทางด้านตะวันตกใช่ไหมแล้วก็หันพระพักไปทางตะวันออกด้านเนินพระจันทร์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 ให้ผู้กองได้เห็นมาแล้วและได้วาดขึ้นอีกครั้งหนึง่งตามคําสั่งของผู้กองบนกระดาษแผ่นนี้เชษฐายกมือขึ้นรูปลายคางอย่างใช้ความคิดหนักเหลือบตาดูจอมพรานมีอะไรหลายต่อหลายอย่างในพื้นฐานการรับรู้มาก่อนของแง่ทรายกับสิ่งที่ระบุไว้ในลายแทงของคุณมันประสานสอดคล้องกันได้ยังไงพิกลอยู่ เรามาช่วยกันใช้ความคิดให้รอบครอบที่สุดดิบางที่เราอาจจะตีปริศนาออกไปได้โดยใช้พื้นฐานการรับรู้ของแง่ไซเป็นส่วนประกอบช่วยเหลือเราเคยตีปัญหากันมาก่อนและลงความเห็นกันแล้วว่าคำว่าปิ่นพระศิวะก็คือพระจันท์เสี้ยวในคืนห้าค่ำนั่นเองแต่งแง่ไซเขียนเป็นภาพเทวรูปพระศิวะอย่างชัดเจนที่สุดตั้งทิศไวทางตะวันตกลองคิดให้ดีสิ มันน่าจะมีอะไรสัมพันธ์กันอยู่บ้างเหมือนกันนะระหว่างที่พรานใหญ่ยังใช้สมองอยู่ดาริงก็เปิดฉากสอบปากคำแง่ทรายแทนให้แก่ทุกคนทันทีโดยอาศัยความละเอียดที่มีอยู่เป็นทุนแล้วนี่แง่ทรายเธอปฏิญาณไว้แล้วใช่ไหมว่าเธอจะพูดแต่ความจริงเท่าที่เธอรู้โดยไม่ปกปิดครับผมแง่ทรายปฏิญาณแล้วครับ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 ท่านไม่ได้บอกไว้ด้วยหรอกล่ะที่ว่าเป็นพระศิวะฉายแสงนะ่ะหมายถึงลักษณะอะไรยังไงท่านไม่ได้บอกอะไรผมมากไปกว่านั้นนะครับบอกแต่เพียงว่าถ้าผมไปถึงอย่างตำแหน่งนั้นตรงกับวันเวลาเมื่อไหร่ก็จะค้นหาคำตอบได้เองครับเออมันก็แปลกดีเหมือนกันมันลืวนเป็นปริศนาไปหมดคําสั่งในลายแทงมังมหานราาบอกไว้ในลักษณะปริศนา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 ลักษณะของเขาต้องการจะเข้ามาปลุกนั่นเองแสงสว่างของยามเช้าตรู่พอจะทำให้มองเห็นสีหน้าและแววตากันชัดเจนเป็นยังไงผู้กองไอมหาการรมนั่นไปแล้วหรื อ, อยังท่านหัวหน้าคณะถามเร็วปรือเตรียมตัวได้แล้วครับมันยังดักเราอยู่ที่เดิมครับทั้งสี่คนตะลึงกันไปชั่วขนาดจิตเมื่อได้ยินคาบอกเครียดเครียดประโยคนั้นเมื่อต่างสงบจิตใจ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 เกิดกับสางปลาหายไข้เป็นปกติเรียบร้อยและแข็งแรงดีที่สุดแล้วทราบได้จากอาการอันแคล่วคลองปราดเปรียวเหมือนเดิมและการตรวจเช็คโดยละเอียดของดารินทุกคนอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดเพราะการพักผ่อนที่เพียงพออาจจะมีอยู่เพียงสองคนที่หมอดารินอดหวาดระแวงเสไม่ได้คือรพินไทรวันอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วที่เขาจะต้องทางานสาคัญที่สุดในการเอาชีวิตเข้าเสี่ยง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 นอกจากคิดภาวนาอยู่ในใจแล้วฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า mm hmm. เมื่ออิ่มหนำสำราญกันดีแล้วอดีตท่านทูตทาหารบกก็ตั้งคำถามว่าแล้วเราจะเริ่มต้นกันยังไงเนี่ย mm hmm. ก็อย่างที่ผมได้เรียนไว้แล้วเมื่อวานนะครับเอาเป็นว่าทุกคนรอคอยอยู่ที่นี่ mm hmm. ผมกะแง่ทรายเพียงสองคนเท่านั้นจะเข้าไปจัดการครับมันไม่ถูกหลักอรพินไม่ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าเราจะล่ามัน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 นอกจากเสี่ยงโดยร้ายประโยชน์เสี่ยงแต่ไม่ร้ายประโยชน์หรอกแล้วก็เสี่ยงน้อยกว่าที่จะปล่อยให้คุณดําเนินการกะแนงทรายตามลําพังสองคนด้วยเราไปที่ก้อนหินที่เราซุ่มดูมันเมื่อเย็นวานั่นก่อนระพินประเดี๋ยวผมจะบอกเองว่าเราจะวางแผนยังไงระพินไพรวันมองหน้าสุภาพบุรุษในราชสกุลด้วยความพิศวงแต่ถึงยังไงเขาก็ศรัทธาเชื่อถือในด้านความคิดอ่านและความรอบคอบของเชษฐาเสมอ เพราะเห็นฝีมือในด้านนั้นมาอย่างดีแล้วระหว่างที่เขายังอ้ำอึง้งลังเลช ย, ยันก็หัวเราะออกมาตบไหล่และกล่าวอย่างให้เกิดอารมณ์ขันว่าสึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักให้แม่ทัพเชษฐาเป็นผู้วางแผนดีกว่าถึงยังไงพันโทหม่อมราชวงศ์เชฐฐาวราริษก็ผ่านการเป็นเสนาธิการมาแล้วเชื่อก็เฮอะผู้กองจอมพรานยิ้มออกมาได้เพราะคาพูดติดตลกของช ย, ยัน ซึ่งเขาจับเคล็ดรู้เส้นมาตลอดเวลาด้วยความเคยชินแล้วว่าในครั้งใดก็ตามที่จะถึงคราวคับขันกันถึงชีวิตระหว่างความเป็นกับความตายชายันมักจะต้องพูดหรือทำอะไรให้ขบขันเสมอเมื่อนายจ้างติงมาเช่นนี้แล้วเขาก็มาอยู่ในฐานะที่จะขัดได้ทั้งหมดรวมทั้งครานพื้นเมืองทุกคนทิ้งสัมภาระส่วนใหญ่ให้อยู่ในที่พักคงมีแต่เฉพาะไรเฟิลประจาตัว พร้อมกระสุนตเต็มอัตราศึกพากันยกขบวนมาซุ่มอยู่ที่หมู่หินซึ่งระพินและฝ่ายนายจ้างของเขายึดที่มันสองกล้องสำรวจดูไอยักษ์ยังช่องปากทางผ่านนั้นซึ่งทําให้มองเห็นภูมิประเทศและตัวมันได้ถนัดทนีที่สุดภายหลังจากสองกล้องสำรวจดูอย่างละเอียดที่ถ่วนพักหนึ่งอดีตท่านทูตทหารบกก็กําหนดแผนขึ้นในทันทีนั้นนี่เห็น หมูเห็นหินใหญ่หมูนั่นไหมพร้อมกับพูดเชษฐาก็ชี้มือไปยังยอดหินหมูย่อมย่อมหมูหนึ่งทางด้านซ้ายมือของปากทางห่างจากชะง่อนที่ไอ้ยักษ์ขึ้นไปนอนหมอบนิ่งอยู่ประมาณ150ร้อยห้าสิบเมตรตั่งเด่นเป็นกองอยู่ในที่ราบโลง่งบริเวณตีนเขาพอจะใช้เป็นที่พรางตัวหมอบซุ่มได้ตำแหน่งเดียวเท่านั้นท่ามกลางภูมิประเทศที่โปร่งตารอบด้านจอมพรานมองตามอย่างวิเคราะห์ แล้พยายามจะเดาความคิดของเชษฐาไปด้วยครับเห็นครับธนูติดระเบิดของเราจะไปซุ่มดักรอจังหวะคอยมันอยู่ที่นั่นวิธีไปอย่าให้มันทันเห็นโดยการอ้อมเลาะไปตามตีนเขาด้านซ้ายมือแล้วค่อยค่อยคืบเข้าไปซุ่มอยู่ตรงหินหมู่นั้นระยะที่เราซุ่มอยู่ตรงก้อนหินกับที่มันนอนหมอบตัวอยู่ที่โน่นแน่ละธนูยิงไม่ถึง แล้วก็ไม่ได้ผลแต่ถ้ามันเดินลงมาและผ่านก้อนหินหมูนั้นไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือขวาจะเข้าระยะเหมาะเจาะของธนูทันทีคุณนึกภาพออกไหมที่บอกเนี่ยพรานใหญ่รีตาลงแล้วพยักหน้าครับพอจะเข้าใจครับแล้วยังไงต่อไปครับปัญหามันก็อยู่ที่ว่าเมื่อฝ่ายธนูเข้าไปดักรอจังหวะอยู่แล้วทยังไงถึงจะให้อายักษ์ มันลงมาจากช่า ง, ง่อนผาที่มันขึ้นไปนอนอืดอยู่นั้นเพื่อเดินเข้ามาเป็นเป้าธนูได้ถนัดโดยฝ่ายธนูไม่จำเป็นจะต้องเดินออกไปให้มันเห็นตัวล่วงหน้าเอาล่ะคราวนี้ดูไปทางป่าหินเตียเต๋ยตีะทางตีนเขาด้านขวามือนะห่างจากหมู่หินทางด้านซ้ายราวๆห้ราร้อยเมตรและเป็นด้านที่ใกลก้กระปากทางช่องเขาขาดัดเราทำทีเหมือนจะผ่านช่องเขาไปให้ได้และไม่มีปัญหามันจะต้องเป็นฝ่ายเห็นพวกเราแน่นอน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 มันก็จะผ่านโมหินที่ฝ่ายธนูดักคอยโอกาสนั้นอยู่เพียงแค่นั้นเองระพินก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างปรุกโปรงตามแผนอันแยบยนต์ของเชษฐาซึ่งแน่ละมันเป็นแผนที่รอบคอบรัดกุมกอบด้วยไว้พริบชั้นเชิงอันชาญฉลาดยิ่งกว่าวิธีที่เขาคิดไว้แต่แรกที่ว่าจะเดินเข้าไปยิงมันด้วยธนูซึ่งซึ่งหน้ามากมายนักระยะที่จะเดินตรงเข้าไปยิงมันด้วยธนูอย่างได้ผล น, นั้น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 เป็นการซุ่มดักรอและล่อให้มันเข้ามาสู่ระยะธนูเองโดยให้พวกพ้องทุกคนร่วมมือด้วยและก็ไม่เสี่ยงจนเกินไปนักจอมพรานมองดูนายจ้างผู้ปรีชาของเขาด้วยตาที่เป็นประกายแจมยม่มใสก้มศีรษะไห้อย่างน้อมคาราวะสุดจริตใจจริงเป็นแผนที่ดีมากครับผมเองเขามาตั้งแต่เมื่อเย็นวานแล้วอ่ะทีนี้ว่าถึงฝ่ายธนู แต่เดิมทีนะคุณจับคู่กันแงสายสองคนและคิดว่าพอเพียงแล้วแต่วิธีนี้ถ้าจะให้แน่นอนเชื่อมั่นได้มากที่สุดควรจะมีใครสัมรองไปด้วยอีกคนคนึงคนคนนั้นเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะรับหน้าที่แทนคนใดคนหนึ่งได้ทันทีถ้าคุณพลาดทํางานแทนคุณทางแงซายพลาดก็จะแทนแงซายและผมขอเสนอตัวเองว่าไม่มีใครจะเหมาะไปกว่าผมอีกแล้ว พราผมยิงธนูน้ำหนัก80ปอนด์ของแง่ทรายได้เท่าเๆกับที่จุดจนวนระเบิดได้เหมือนกันเป็นนั้นว่าฝ่ายธนูก็ไปด้วยกันสามคนมีคุณแง่ทรายแล้วก็ผมนอกนั้นที่เหลือทั้งหมดภายใต้การควบคุมของชัยยันให้ถือเป็นฝ่ายลอมีใครจะคัดค้านหรือมีปัญหาอะไรอีกไหมประโยคสุดท้ายเขาหันไปถามทางชัยยันมาเรียและดารินทั้งสามคนเต็มไริอาการครุ่นคิดหนัก แต่แล้วก็มองไม่เห็นวิธีอื่นใดจะดีไปกว่าที่ท่านหัวหน้ากำหนดไว้นี้แล้วอเป็นนั้นว่าตกลงตามที่แกว่าแล้วกันเชิดาในที่สุดชยันก็พยักหน้ารับคำมาเสียงหนักๆอย่างตัดสินใจแน่นอนว่าแต่ทางฝ่ายฉันน่ะจะมีรายละเอียดให้ทำยังไงบ้างละ่ะก็อย่างที่บอกแล้วนะเดินตรงเข้าไปตามปกติเพื่อล่อให้มันไล่ ระยะที่จะเล่นเอาเธอเจ้าล่อเข้าได้เข้าเข็มที่สุดเน่ยไม่จําเป็นจะต้องพากันเข้าไปใกล้มันทั้งเก้าคนหรอกให้คัดเอาพวกที่คล่องแคล่วรวดเร็วแล้วฝีเท้าตลอดจนการรักษาตัวรอดได้อย่างดีที่สุดสามคนเข้าไปล่อมันใกล้ๆนอกนั้นให้คอยยึดป่าหินคอยช่วยยึงนวงเหนียวไว้เราจะแยกจากกันเป็นสองฝ่ายพวกแกคอยถ่วงเวลารอดูอยู่ที่นี่ก่อนไม่เห็นทางด้านฉันระพินและแง่ทาย ออมแล้วตีนเขาเข้าไปซุ่มประจําในหมู่ก้อนหินนั่นเรียบร้อยแล้วถึงค่อยเดินเข้าไปตามแผนเอาละเข้าใจแล้วเชิดถาก็ให้รพินเรียกพวกพลานพื้นเมืองทั้งหมดเข้ามารวมกลุ่มประชุมบอกย้ําแผนการทั้งหลายตามที่กําหนดกันไว้ให้เป็นที่เข้าใจทุกคนชั่วไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทุกคนก็พรักพร้อมเอาละถ้างั้นก็ลงมือได้แกกันเดี๋ยวนี้แหละ เชตดถาสั่งการในทันทีนั้น